กล่าวคำถวายเครื่องศักกิ์สในวันมาฆบูชาแล้วพร้อมกันติดสมปีสองสามปีมาแล้วเป็นปีที่สามเราก็ได้มาร่วมกันทาพิธีทาบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณตอนเช้าของวันที่ยีสิบสองแต่ตอนเย็นของวันตอนเย็นของวันที่ยีสิบเอ็ด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 เมตตาสนับสนุนทางด้านวัตถุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นวันนี้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะมาอยู่กับผมผมก็ใช้แนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารยนะ์นั่นละแนะนำสั่งสอนท่าอย่างว่าถ้าจะว่าไปแต่ไม่ถึงเสี้ยวหนึ่งขององค์ท่านอีกต่างหากเพราะองค์ท่านองค์หลวงตาเนี่ยท่านเข้มงวดกวดขันมากเรื่องพระมีแต่พูดอะไรมีแต่เด็ด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 ในการประพฤติปฏิบัติอันนั้นคือหัวใจแต่พวกเราท่านทั้งหลายดูบางองค์คขี้เกียจกระทั่งปัดกุฏิปัดกวาดกระทั่งกุฏิกรกริ่งขวาอะไรอีกเมื่อจิตใจเมื่อที่อยู่รกโครงรังจิตใจก็เศร้าหมองเพราะมันขี้เกียจมาจากใจแล้วจะจิตใจจะเจริญลุ่งเรืองงอกงามไปได้อย่างไร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 ยังไม่มีศีลอีกต่างหากไม่เคารพผู้ใหญ่ผู้น้อยอีกต่างหากแล้วจะเอาท ร, ร ม, มาข่มกันอย่างนั้นเหรออะไรคือทรรมขนาดฟินรายก็ยังขาดอยู่แล้วจะเป็นอวบทุกกฎอยู่แล้วจะเอาทรรมที่ไหนมานี่แหละอันนี้มันพูดมันพูดได้แต่พูดแบบไม่รู้ไม่รู้พูดแบบโง่โง่เมันต้องพูดเรื่องพระวิ น, นัยการเป็นอยู่ด้วยกัน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 แต่ทำท่าดูถูกเขาลุงพ่อเห็นแล้วโอ้ยอยากจะอาเจียนเหมือนกันเะอากับกิริยาของพระในเมื่อเขาเอาให้ของดีเราก็ยินดีรับของดีถ้าเมื่อเอาเอาเขาอาให้ของไม่ดีเราก็รับได้รับได้ทั้งหมดเมื่อเขาเออกมาให้แล้วคุดคิดดูซิตัวเองเยสมัยเป็นฆราวาสเคยทำไหมอย่างนี้อย่างที่เขาถวาย เ, ยเคยทำไหม ไม่เคยเออเพราะว่าไม่มีเงินไม่มีเงินที่จะทํานะในเมื่อเขาทําให้แล้วเนี่ยเขามาให้แล้วเนี่ยทาไมจาท่าไปดูถูกเขาแสดงว่าลืมตัวโง่ามากหลวงพ่อพูดอย่างนั้นได้เลยเอยพระองค์นี่โง่ามากต่อไปภายภาคหน้าเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้พระอย่างนี้ไปที่ไหนกันนี่ยทาให้คนอื่นเดือดร้อนไปหมดเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากับขอดะไปหมดตั้งที่ตัวเองไม่ไม่มีเงินเกิดอชักชวนให้คนอื่นมาทมําบุญ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 หรือสงเคาะชุมชนสังคมประเทศชาติพอจะให้ให้แต่ว่าสำหรับตัวเองไม่รู้จะใช้อะไรขี้เหนียวสำหรับตนเองนะหลวงพอ่อเนี่ยนะเพราะเจวอนกับพี่มพวงก็มียาก็มีทั้งเยอะแยะมีใครถวายต่อถวายพอได้ยินว่าเขาว่าเป็นวัดนั่นคนนั้นก็ส่งมาคนนี้นก็ส่งมาอย่างวันนี้ก็ส่งนะ อย่างยาม้วนปากบอกมาด้วยเลยนะยาม้วนปากนี่ดีนะบางทีท่านอาจจะมีเชื้อไวรัสอยู่ก็ได้พราะฉอม้วนปากดิชันนี่พอม้วนปากละหายเป็นวัดเลยทั้งที่เป็นวัดมาเป็นเดือนนี่แหละใข้ไขก็ได้ยินแล้วกนั้นหลวงพ่อนี่ปากไปไอดังมากันพอไอตอนเช้าเนี่ยเป็นดังไปทุนไปถึงอังกฤษอเมริกา ไอไปไกลเพราะงั้นพอท่้นเขาได้ยินเขาก็เฮ้ยหลวงพ่อนี่เป็นบัตรเป็นไอเขาก็ส่งยามาให้นะปัจจัยของหลวงพ่อไม่รู้จะใช้อะไรเท่าไเอมีแต่ช่วยเหลือบมรุงพระพุทธศาสนาเครื่องมือแพทย์ช่วยโรงเรียนสาธารณประโยชน์วัดว า, าศาสนาวัดไหนขาดตกปกพ่องที่จะช่วยเหลือได้อ้าวก็ช่วยเหลือไปเพราะเป็นเงินพระพุทธศาสนา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 พระราชาเมืองหนึ่งท่านก็มีโปรหิตอาจารย์คู่ใจเป็นผู้แนะนําพระราชาพระราชาเนี่ยยอมรับอาจารย์เป็นผู้แนะนำส่องสั่งสอนบอกกล่าวอันนี้ผิดอันนี้ควรเดินควรจะเดินยังไงควรจะเดินประเทศชาติยังไงไปยังไงโปรหิตราจานท่านเนี่เฉลียวฉลาดมากแต่ว่าเป็นปราชาับพระราชาก็ยอมรับอาจารย์ของตนเอง ท่านันก็เอออาจารย์เราปกครองประเทศชาตินี่นกออ็อยู่ในเมืองเขาก็ว่าเราปกครองปกครองเป็นธรรมอยู่แต่ในชนนบทจะมีอะไรไหมหรือใครจะไปบีบออลาทาเลนพี่น้นองประชาชนชาวบ้านเขาเดือดร้อนมีไหมเราควรจะไปปลอมตัวไปออตรวจสอบดูสิออในชนนบท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 อาหารเลือดรสเหมือนกันบ้านนอกออาหารเลือดรสบ้านนอกก็คงจะเป็นอไข่เตาไข่แลนน์มั้งไข่ตะกรวดอร่อยดีเด้อาหารเลือดรสมันคงจะของไป ม, มากเขาถวายพระราชาพระราชาสเสวยสำหรับคนอื่นเขาก็ให้อย่างอื่นอันนี้ทหารอาหารเลือดรสเขาถวายพระราชา พระราชาได้อาหารมาแล้วอาหารเนื้เลิอดลดจริงเราก็มากับปุโรหิตตาจาย์นปุโปรหิตตาจาย์เนี่ยเหนือเราเหนือกว่าเราเราได้ความรู้ความฉลาดนี่ก็คือโุโรหิตตาจารย์เป็นผู้แนะนําสั่งสอนเราจรึง <c oughs> เราจรึงได้ดิบได้ดีแต่ใช่เราเกิดมาในตระกูพลพระราชาก็จริงอยู่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 เราจึงมอบให้ท่านท่านพลูศรีให้ท่านได้กินให้เป็นประโยชน์เมื่อท่านได้ทานแล้วก็ได้บําเ พ, พ็ญพศบําเพ็ญตะปะของท่านเป็นประโยชน์แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวคนอีกคนทําบุญ ก, กับท่านพลษีก็ได้บุญอีกเพราะฉนั้นข้าพระเจ้าเห็นว่าพลูศรีนี่พระพลูศรีเหนือกว่าเราทางด้านคุณธรมธรมศีลธรรมเพราะนั้นเราจึง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 นักพรตอย่างนี้เป็นผู้หมดจดจากกิเลสแล้วไม่มีราคาโทสะโมหะเป็นผู้บริสุทธิ์จากอาสาวะกิเลสแล้วไม่มีใครที่จะยิ่งกว่าในละแวกนี้ที่เราเห็นเพราะฉะนั้นเราจึงนำอาหารนี้ไปถวายท่านจากนั้นนายบ้านก็ไปถามพระ พ, พระเจกเอกีกทำไมพระปเจกพระองค์ท่านจึงเขามาถวายมาเป็นทอดๆ ท, ทำไมพระองค์จึงเสวย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 แต่หลวงพ่อเห็นด้วยเออเออเป็นแนวความคิดเป็นแนวปฏิบัติในทางที่ดีในทางที่ถูกต้องอที่ท่านกระทำมานั้นเพรา ะ, ะนั้นหลวงพ่อจะได้นำมาบอกให้พาะลูกลานสัทธายา่าโจมได้ฟังตอนนี้ไปนั่งสมาธิจักชั่วระยะหนึ่งอย่างนั้นค่อยแยกย้ายกันกลับ